Бук 2. 24. 24. Канат мај. Состанок, средба, д о г о в а р а њ е с у с т а н о к средба, д о г о в а р а њ е คุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าครับก็พรุพุชติลีอฟโตบัสตร์ผมรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วครับติดเช็คกฟปลวินาชา ส, ชาชาสคุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือครับน่าชลีมอเบลสู่เซเบ ซบครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะครั บ, บ, บครั้งหน้านั่งท็กซี่นะครับดดครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะครับ ส, ะะ ส, สุดสท้ i ยฉันจะพาเธอไปด้วยกันพรุ่งนี้ผมหยุดครับพรุ่ง น, นี้เราจะพบกันดีไหมครับ จ๊าล์มีเอโนยัซเน่โมจัมอุเทรสุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทําหรื อ, อยังครับหรือว่าคุณมีนัดแล้วครับ ผมเสนอให้เราเจอกัน <bord> ว <ering> <cake Sounds> ันสุดสัปดาห์เราไปพิกนิกกันดีไหมครับเมิ เราไปชายหาดกันดีไหมครับเคโอเดเมาาเ เ, มาาเราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมครับ n คโอเมลี a าปล า, นนา เ, เลน a ผมจะไปรับคุณที่ทำงานเ e เตเซมัมอตคันเซล a ริอ ผมจะไปรับคุณที่บ้านอดอดผมจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสารตอตบูตตนตซออตบูตต